เห็นกิเลสดีที่สุดเลยถ้าไม่เห็นกิเลสนะก็โดนมันครอบงํามันจะมาบงการพฤติกรรมเราไปเรื่อยๆทุกเรื่องเลยนะสํารวจตรวจตราในจิตใจมันจะหลอกให้ปฏิบัติโน่นนี้ไปเรื่อยวันนี้จิตกระจายน้อยลงอะไรนะจิตจิตมันกระจายน้อยน้อยกว่าเมื่อวานอ่าน้อยกว่าเมื่อวานแต่ไม่ทราบวันที่ถึงฐานหรือยังยังยังเลยเยอะไหม <laughs> อย่าไปดึงนะาถ้าดึงก็ผิดเลยเพราะเมื่อวานเมื่อวาน นั่งสมาธิไม่ได้ก็เลยสังเกตว่ม่เรื่องจงใจไม่มีความจงใจแฝงอยู่ในความจงใจนี้มันก็เลยทําให้จิตเราไปสร้างสภาวะที่ไม่ธรรมดาขึ้นมาอันนึงดูออกไหมมันทื่อๆอยู่นิดนึงอันนี้นะแล้วจิตมันไปสร้างขึ้นมานะให้รู้ทันมันรู้นะด้วยความเป็นกลางเออรู้ด้วยความเป็นกลางเรารู้สภาวะทั้งหลายนะแล้วก็อย่าไปเติมความปรุงแต่งลงไป ถ้าเราเติมความปรุงแต่งลงไปก็ยิ่งเดินช้าถ้าไม่เติมความปรุงแต่งลงไปนะั้นเราในสุดพลังของความปรุงแต่งันหมดเก่าก็หมดไปนะใจก็ไม่ปรุงอะไรใจไม่ปรุงเดี๋ยวใจจะเข้าถึงธรรมะใจปรุงไม่เข้าถึงธรรมะหรอกเข้าถึงโลกหลพอถ้าเกิดเราพิจารณาอาสุภะแล้วก็ <c oughs> ยกไหม่ถ้าพิจารณาอาสุภะและ้วก็ดูว่า ใจตอนนี้เป็นยังไงแล้วก็หรือใจคิดไปเรื่องอื่นอะไรเราก็รู้ตามรู้อย่างนี้ได้ไหมครัได้คือแต่ น, นั้นก็คือการดูจิตนั่นเอง e แต่ว่าเอาการพิจารณาสุภาเป็นเครื่องอยู่อย่างนั้นก็ได้ได้ไหจริงจริงเครื่องอยู่นะอะไรก็ได้ให้มันมีเครื่องอยู่ที่ไม่ยั่วกิเลสสักอันหนึ่งต้องไม่ยั่วกนะิเลสนะเครื่องอยู่แบบยั่วกิเลสแบบดูหนังโป๊เป็นเครื่องอยู่อะไรย่างนี้ไม่ได้นะอย่ามาอ้างหรือเล่นไพ่เป็นเครื่องอยู่อะไรอย่างนี้ยไม่ได้อย่างคุณยายนี่ปลูกต้นไม้ ส อ, อนหญ้าเก็บก้อนหินเป็นเครื่องอยู่ทำได้มันไม่ได้ยั่วยกิเลสนันจักจะมาอ้างไม่ได้นะหาเครื่องอยู่นิดเขาเรียกทีมอะไรนะทีมทุสีนเนายตั้าครบกับเขาด้วยหรือเนี่ยพระเจ้าสอนเนี่ยบอกว่าพวกที่ไปอยู่ด้วยกันนะมันเสมอกันนายตั้ คุณยายเชิญให้กราบให้หลวงพ่อชี้แนะหน่คุณยายมัวไปนิดนึงดูออกไหมซึมนิดนึงตื่นเช้าไปหรือก็อธรรมดาเจ้าค่ะแต่มันแบบจิตมันจะแหว่งหน่อยตอนเช้าเจ้าค่ะก็ดูตัวกิเลสมันมันตอนนี้มันซึมกว่าเมื่อกี้อีกเจ้าค่ะอาจจะเพิ่งทานข้าวก็ได้เจะคะแต่ก็จะขึ้นลงขึ้นลงคุณยายดูขึ้นลงด้วยใจที่เป็นกลางนะ มันขึ้นไปใจก็เป็นกลางลงก็ใจเป็นกลางนี่สุดใจจะเป็นกลางกับทุกสภาวะพอใจเราเป็นกลางใจจะไม่ดิ้นรนปรุงแต่งใจไม่ปรุงแต่งนรืใจจะได้เห็นธรรมะเมื่อไร่ใจปรุงแต่งใจมีความอยากใจมีความปรุงแต่งก็เห็นโลกเมื่อไร่ใจพ้นความปรุงแต่งก็เข้าถึงธรรมง่ายง่ายง่ายนิดเดียวเลยเมื่อเกียดดีแวบหนึ่งนั้นะพอดีเป๊ะเลยขอบคุณพี่ชัยเพิ่งมา ส่งกันบ้านเลยรู้สึกว่าดินน้อยครับไม่ทรนะรู้สึกว่าดินน้อยครับอาจจะเป็นตึงไว้ช่วงๆครับเออดีแต่ก็ยังยังอะไรนะไม่แน่ใจว่ายังตึงมากไปหรือเปล่าเกินนิดนึงนิดเดียวเปนไปนิดเดียวนิดเดียวนะไม่มากนะอย่าไปแก้มันครับก็ดูไปเรื่อยๆครับดูว่ามันเดี๋ยวคิดว่ามันตึงของมันเองครับเออมันตึงเองคุณมนคุณมนไมคนแล้ว ได้เหยื่อวันนี้ดูสบายขึ้นเลค่ะหลวงพ่อเทียบกับวันก่อนแต่ว่ามันก็เมื่อเช้ามันมีซึมซึมมีโมวัวหน่อยๆตอนนี้ล่ะตอนนี้ไม่ซึไมซไม่มัวหรือนิดน้อยออกว่าเมื่อเช้าอะเออตอบถูกแม่ตอบแบบลีกเลี่ยงถูกต้องมีนิดหน่อยมีครัมันเกิดจากใจเนี่ยมันเคลิบเคลิ้มในธรรมะมากไปนิดนึงแล้วคะ่ะ ใจถ้ามันอมันมันหลวงพมันพอพอมันฟุ้งใช่ไหมคะมันก่อนมันฟุ้งมันวุ่นวายกวนกังวายเอาหมดก็ไปลองนั่งสมาธิดูพอนั่งเสร็จมันก็เลยซึมลงไปเออตอนนี้มันมันซึมแบบมีความสุขด้วยหมนไปอ่านหนังสือหลงปูมั่นมาผมก็เลยหลูงพ่อว่าเมื่อกี้เนี่ยค่ะอซาบซึ้งกับธรรมะอ่านหุวปูมันั่นแหละนั่นแหละมันซาบซึ้งจนตาลอยอ่ะนึกออกไหม ให้รู้ทันตัวนี้นะติดตัวนี้อยู่จ <c oughs> บไปไแล้วทํายังไงต่อละคะให้รู้ทันไงเนี่ยบอกแล้วให้รู้ทันแล้วอ่านอีกได้ไหมคะอ่านได้แต่ว่าทีนี้ไม่มีพิษมีภยัยละอ่านแล้วพอใจเราปลืป้มขึ้นมานะก็รู้ทันมันไม่งั้นมันจะปลื้มไปเรื่อยอย่างนี้นะ <c oughs> <c oughs> มันหลงหนะอย่างเนี้น <c oughs> แต่หลงดีตายแล้วไปสุคติไปอ่านเรื่องอะไรของโลปูมั่น Oh man, โอ้แม่หลวงพ่อชอบมากเลยอ่านของหลวงปู่มั่นเล่มอื่นนะั้นไม่สนุกต้องอ่านคันทวิมุตสมังคีมันเ อ, เอานะั่นนั้นแหละโหมันจริงๆเลยในนั้น <c oughs> แต่ก่อนหลวงพ่อก็อ่านไม่รู้เรื่องหรอกธรรมะหลายอันเลยที่แต่ก่อนอ่านไม่รู้เรื่องเราแก ว, วนไม่ก่อนอย่างเรื่องจิตคือพุท ธ, ธะเนี่ยอ่านแล้วเหมือนรู้เรื่องนะแต่ไม่รู้เรื่องหรอก พอเราเข้าใจจิตหนึ่งเนี่ยอ่านใหม่มันเป็นอีกอย่างหนึ่งนะความรู้ความเข้าใจมันพลิกกลับไปอีกด้านหนึ่งนึกไม่ถึงอเออท่านก็บอกแล้วจิตอันใดใจอันนั้นจิตเป็นผู้รู้ผู้ผู้รู้สึกนึกคิดผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งนะใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจพลิกไปพลิกมาพลิกเดี๋ยวใจเดี๋ยวจิตพลิกไปพลิกมา เดี๋ยวรู้เดี๋ยวหลงแต่ว่าท่านจะสอนบอกว่าจนกระทั่งเข้ามาเป็นใจอันเดียวเลยใจอันเดียวอันนั้นท่านสอนผลมันเลยแต่ในขั้นตอนของการปฏิบัติเนี่ยอย่าไปมุ่งเอาใจอันเดียวให้รู้เลยเดี๋ยวเป็นจิตหรือเป็นใจก็ของไม่เที่ยงเหมือนกันวางทั้งคู่วางทั้งคู่แล้วเข้ามาเป็นใจอันเดียวใจอันเดียวอันนี้คือจิตหนึ่งนั่นเอง ช่วงช่วงก่อนช่วงสองสามอาทิตย์ก่อนนะคะเจอกิเลสเข้ามาเยอะแล้วใจเรามีความรู้สึกว่าเราอยากดีแล้วเราประคอง hmm. ถ้าทําให้ช่วงนั้นภาวนาแล้วมันไม่ได้เห็นความเป็นจริงคือมันจะไม่เกิดสติเลยะคะ่ะทันจนกระทั่งมาตั้งสติใหม่เราก็รู้สึกว่าเราต้องมองไปที่กายที่ใจอย่างแท้จริง hmm. ก็เลยทําให้ดีขึ้น hmm. ค่ะ<ด>ตอนนี้ก็เลยเริ่มยอมรับแล้วเพราะว่าตัวเรานี่เราบังคับไม่ได้จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดจริงๆ hmm. ค่ะ ดีนะภาวนาได้ถูกต้องแนละ้วดีน ะ, อะของผมภาวนามันมันไม่เหมือนกันเลยครับแต่ละวันอสองวันก่อนเนี่ยตอนที่ภาวนามันมันเกิดอาการเมื่อยครับก็พิจารณาดูดูเวทนาก็เห็นว่ากายมันอยู่ที่หนึ่งเวทนามันอยู่ อ, อีกที่หนงแต่ว่าอยู่เหมือนกับมันอยู่สูงกว่า แล้วจิตก็อยู่อีกที่หนึ่งครับออจิต อ, อีกที่แล้วจิตก็ไปบางทีเวลาจิตที่ไปรับอารมณ์ของเวทนามันก็รู้สึกว่ามันเจ็ดมันจิตมันก็รู้สึกมันมันมันรู้สึกปวดเมื่อยรู้สึกมันไม่สบายบางทีมันก็ไปรับอารมณ์ภายนอกครับแต่เมื่อวาน เ, ออ เ, ออเมื่อวานตืนเมื่อวานครับ เ, ออเวลาภาวนามันมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เหมือนกับ จิตมันลอยสูงขึ้นครับเหมือนกับต้องต้องเขย eng แล้วก็อีกช่วงหนึ่งมันมันจมลงไปออืครับจมลงไปลึกๆ ล, ลงไปเลยครับแล้วไงล่ะก็ชวงช่วงแรกๆตอนที่มันจมก็ก็ตามมันลงไปครับแต่ตอนตามไปมันไม่เจอครับจะตามดูอยู่ห่างๆไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นให้อย่าตามไปนะ้ตักหลักดูไว้ลูกเดียวเลยไอ้ที่มันจมลงไปมันเป็นจิตใช่ไหมครับ มันเป็นอาการของจิตนะจิตมันคือคนที่รู้ว่าจมลงไปมันไม่ได้จมหรอกเรา่าส่งตามมันลงไปล้วส่งตามมันจะลึกๆเข้าไปเรื่อยๆไม่ต้องตามเข้าข้างในครับแต่วันวันนี้เวลาที่ภาวนาจะจะอยู่ที่อารมณ์จะมาเหมือนกับมาพักอยู่ที่ที่ลมหายใจครับไม่ไม่ทราบว่าจะเป็นวิธีที่เหมาะัหมครับคือ อันนี้เอาเป็นที่พักเท่านั้นนะเป็นที่พัก เ, เป็นที่พักเท่านั้นเพราะว่าใจเราซึมทื่อเกินไปใจตอนนี้เราไปบังคับผิดปกตินะดูออกไหมรู้สึกว่ายัางยังเพ่งอยู่ครับถ้ายังเพ่งอยู่ทีนี้ถ้าไปไปไปพักอยู่ที่ลมแล้วพิจารณาดูดูจิตไปด้วยเนี่ยครับได้ เ, เวลาหายใจนะแล้วใจเราหนีไปเราก็รู้ใจไปเพ่งก็รู้นะใจหนักใจเบาก็รู้ไป แต่สุขใจทุกดูใจเอาลมเป็นพื้นฐานเป็นแบกกราวไว้เท่านั้นครับว่าธรรมดาเนี่ยจิตต้องมีอารมณ์นี่อารมณ์เนี่ยมันร่อนเร่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปเกิดอารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจวุ่นวายทำให้ดูจิตใจยากเบื้องต้นก็หาอารมณ์อันนึงมาอยู่ก่อนเช่นมาอยู่กับลมหายใจแต่มาอยู่กับลมหายใจแล้วไม่ใช่บังคับห้ามจิตหนีไปที่อื่นไม่ใช่ ให้จิตมาอยู่กับลมพอจิตข ย, ขยับเยื่นเคลื่อนไวหวจิตทํางานอะไรเราค่อยรู้เอามันรู้ง่ายถ้าเราไม่มีฐานอันใดนหนึ่งไว้ก่อนเลยเนี่ยมันจะดูยากเพราะมันจับอารมณ์โน้นทีจับอารมณ์นี่ทีดูลําบากมันมันจะคอยไปจ้องครับเอออย่าจ้องนะจ้องใช้ไม่ได้ต้องให้สบายทําให้สบายสบาย คืฝ like like, you ึกภาวนามาตลอดค่ะแล้วก็ช่วงหลังนี้มาฝึกดูดูใจแต่ว่ารู้สึกว่าบางทีตัวเองสับสนว่าดูถูกหรือเปล่าว่าดูผิดอะไรสักอย่างค่ะอย่าดูถูกนะดูถูกไม่ดีไม่เอาถูกไม่เอาผิดแล้วนะเอาความรู้สึกปัจจุบันเราไม่ต้องสนใจหรอกว่าอันไหนถูกกับไหนผิดดูตามเท่าที่ดูรู้เท่าที่รู้อ่ะรู้เท่าที่รู้อ่ะนะเดี๋ยวจิตใจก็เป็นสุขเดี๋ยวจิตใจก็เป็นทุกข์นะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย ดูไปเรือ่อยดูเล่นเล่นไม่ต้องสนใจหรอกว่าเอ๊ที่ดูนี่ถูกหรือยังถ้าสงสัยว่าดูนี่ถูกหรือยังให้รู้ว่ากำลังสงสัยก็ถูกละเมื่อไหร่รู้อารมณ์ลงปัจจุบันได้ก็ถูกหมดแหละรู้เท่าที่รู้ได้ไม่ต้องรู้ตลอดถ้าพยายามจะรู้ตลอดจะกลายเป็นการเพ่งกำลังสงสัยว่าตัวเองที่ผ่านมันคือตัวเองตั้งใจดูมากไม่ใช่ใไม่ใช่ตั ว, ว, ะะ ต, วตัวเองไช่างสงสัยมากไปให้รู้ไวนะ้นะนิสัยช่างสงสัย เป็นนิสัยช่างสงสัยให้เราคอยรู้ทันมันรู้ว่าสงสัยแล้วก็ตอบไปแค่นั้นนะะแค่รู้อสงสัย<อ>แล้วก็ไม่ต้องหาคาตอบไม่ต้องหาเราไม่ได้อยากฉลาดเราต้องการเห็นความจริงว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องดับเช่นความสงสัยเกิดขึ้นมาดูไปเรื่อยๆก็ดับไปแล้วต้องการรู้แค่นี้ไม่ได้ต้องการความฉลาดถ้าเรียนกรรมฐานอยากฉลาดนะมันจะฟุ้งซ่านไปในธรรมะ คนกวาพิจารณาไม่รู้จักสิ้นสุดเลยเพระธรรมะนะมันกว้างกวางพิจารณาไปยังไงก็ไม่หมดแต่ถ้าเราทวนกระแสะเข้ามาดูถึงจิตถึงใจเราใจมันมีความอยากมีความดิ้นรนอะไรรู้โลงปัจจุบันได้เลยนะเท่านี้มันหมดได้อย่าเห็นเลยทุกอย่างมันแค่สิ่งที่มายั่วยั่วให้ใจคิดมายั่วยวให้ใจหลงถ้ารู้ทันไม่หลงไปไม่คิดไปรู้อยู่ปัจจุบันก็เห็นเลย ทุกอย่างที่มันมายั่วเรานะมันมาแล้วมันก็ไปทั้งหมดเลยดูแค่นี้เองเพื่อให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ต้องความฉลาดอะไรหรอกรู้มากยากนานทำไมยากนานหลพอนานนานไม่รู้จะถามอะไรเออไม่ถามก็ดีแล้วหลวงพ่อก็ไม่รู้จะตอบอะไรเหมือนกัน <c oughs> หาเรื่องพยายามพยายามจะเกณฑหาเรื่องถาม ไม่รู้เอาช่วยรับใหม่แล้วก็ส่งต่อไปเลยเออถ้าไม่มีอะไรนะก็อยาจะเรียนถามหลวงพ่อสักนิดเนื้อค่ะคือว่าแค่หนึ่งนะรู้สึกไม้มใจที่ตื่นเต้นเมื่อกี้ค่อยๆลดลงละดูออกใช่ไหมนี่แหละรเรียกว่าปฏิบัติละที่ทําอยู่นี่ถูกต้องแล้วนะรู้สึกไหมใจเรานิ่งกว่านิ่งลงนิ่งลงรู้สึกไหมแล้วมันก็มีความเบิกบานรู้สึกไหม เนี่ยแหละรู้ลงปัจจุบันอย่างนี้นรู้ไปเรื่อยใจเปลี่ยนแปลงที่ภาวานาอยู่นี่ถูกต้องแล้วนะไม่ต้องถามหลวงพ่อเลยเสียเวลามีมีความรู้สึกว่า อ, อตัวเองเนี่ยอในแต่ก่อนนี้ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่เป็นคนแบบจิตใจเฉยๆแ ต, แต่รู้สึกว่าตัวเองมปจิตใจไม่ค่อยดีเป็นคนที่เหมือนกับจิตใจเราบางครั้งรู้สึกใจเรามันหร้ายจังเลยอะไรอย่างเนี้ยค่ะ แล้วก็แล้วบางครั้งเวลาเราเกิดความทุกข์เนี่ยมีความรู้สึกว่าเราปล่อยทุกข์นั้นไม่ลงอืมมีความรู้สึกว่าเราเราทําไมเราต้องหอบยิ้วเข้าไปอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะปล่อยเข้าไปยังไงแล้วก็ยิ้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่จิตใจไม่งามเลยอะค่ะในความรู้สึกเหลอตอนเนี้เหล่รู้สึกอย่างนั้นนะจะเป็นอยู่บ่อยๆในภักหลังเนี้ยค่ะถ้าเรารู้สึกว่าอ๊้ยฉันงามตลอดเลยนะแย่นะ ถ้าชั้นงามจริงๆชั้นคงบรรลุมรรคผลนิพพานไปแล้วล่ะถ้าเราเห็นกิเลสตัวเองได้ดีที่สุดนะหลวงพ่อนิยมชมชอบมากเลยลูกศิษย์เห็นกิเลสเนี่ยถ้าลูกศิษย์เห็นแต่กิเลสคนอื่นนี่ไม่ได้เรื่องเลยนะถ้าเห็นโอ้กิเลสเรานี่ย่ยอแย่เลยทํางานตลอดใช้ได้แต่เราก็ทุกตรงที่ว่าเราไม่ไม่ไม่สามารถในความรู้สึกว่าทําไมเราขจัดไอ้ตรงสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนี่ออกไปไม่ได้รู้สึกไม่ไล่ไม่ได้ S <S การที่เราขจัดมันไม่ได้ น, นั่นแหละคือความจริงละ่ะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเราบังคับเขาไม่ได้จริง <S <S <S <S เห็นไหมใจเราเริ่มเห็นความจริงแล้วแต่เรายังยอมรับไม่ได้เราเห็นความจริงแล้วว่าเราบังคับมันไม่ได้แต่เรายังอยากบังคับอยู่การที่ <S 2> <S 2> <S เราบังคับไม่ได้นั่นแหละเป็นธรรมะละ่ะคือความจริงแต่ก็ยังคิดว่าถ้าถ้าเกิดเราไม่สามารถขจัดเขาตรงได้ตรงนี้ค่ะ แล้วเราจะเป็นคนดีได้หรือเปล่าไม่เป็นคนดีเราก็เป็นคนร้ายอย่างนี้แหละเราภาวนานะไม่ใช่เป็นคนดีเราภาวนาจนไม่เป็นคนเลยไม่ใช่ภาวนาให้เป็นคนดีนะเราจะดูลงในกายดูลงในใจเราเห็นเลยร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้าไหลออกเช่นหายใจเข้าหายใจออกกินอาหารแล้วขับถ่ายอะไรอย่างเงี้ยร่างกายเป็นวัตถุไม่ใช่คน ความรู้สึกของเราความรู้สึกโลภรู้สึกโกรธรู้สึกหลงรู้สึกไหมเป็นแค่ความรู้สึกไม่ใช่คนเหมือนกันดูออกใช่ไหมอย่างความโกรธเกิดขึ้นความโกรธไม่ใช่คนใช่ไหมแล้วความโกรธก็ไม่ใช่ตัวเราด้วยดูออกไหมอันนี้ยยังงบางครั้งยังแยกไม่ได้ไม่เป็นไรไปหัดดูนะต่อไปจะเห็นเลยความโลภความโกรธความหลงก็ไม่ใช่ตัวเราใจที่ไปรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มี เราภาวนาจนเลิกเป็นคนนะไม่ใช่ภาวนาจนเป็นคนดีแต่ถามว่าเราจะเป็นคนชั่วได้ไหมเป็นไม่ได้เด็ดขาดเลยเพราะคนดียังไม่เป็นเลยถ้าเรามีสติอยู่เราชั่วไม่ได้ความชั่วไหลมาเ้วก็เหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านเราผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปมันไม่เข้าบ้านมันไม่เข้ามาครอบงาใจพอทำได้ไหมตรงนี้อย่างเห็นกิเลสมันมาแล้วมันก็ไปมันไม่มาครอบงาเรา แต่ไปมันกิเลสมันครอบงําไม่ได้นะเะฉะนั้นเราชั่วไม่ได้หรอกแต่เราเห็นเลยความชั่วเกิดบ่อยแต่ความชั่วครอบงําใจไม่ได้ดีแล้วค่ฝึกไปเผลอละเนี่ยตอนส่งไม้นะเผลอลืมตัวเอ ง, งเอา้าวจูนส่นะงกันบ้านมีการแอ บ, บทํายิ้มไปยิ้มมาส่งต่อส่งกันบ้านอีกเหรอะคะก็ อดูไปเรื่อยๆค่ะแต่ก็คือมีมีเห็นว่าพยายามจะเข้าไปดูความไม่เป็นกลางอยู่ค่ะหลวงพอ่อภาวนาใช้ได้แล้วพี่ไหวดีขึ้นแล้วรู้สึกไหมพี่ไหวะนะมันไม่ฟุง้งไม่เชา้ามันฟุง้งใจต้องรู้ตื่นเบิกบานอย่างเงี้ยใจตั้งมั่นสงบสว่างรู้สึกไหมสว่างใจเข้าถึงความสุขความสงบอย่างนี้ให้รู้ไปอย่างเงี้ยใช้ได้หลวงพ่อคะคือจุนมีความรู้สึกว่าเนี่ยนะจูน นีหลงไปแล้วนีอ้าวจูนต่อเดี๋ยวนะจูนหลวงพ่อเรียกไปอย่างงั้นแหละค่ะเพราอะไรรู้ไหมตอนจะเล่าเนี่ยนะรู้สึกไหมมันเริ่มอินละค่ะเดือดออกไหมมันดูไม่ออกค่ะมันไปหมดแล้วค่ะเอออ้าวเล่าได้จะบอกว่าจนมีความรู้สึกว่าถ้าไม่มีสติรู้อยู่ขณะที่ไม่รู้ตื่นอยู่เนี่ย มันเหมือนไปรู้ข้างนอกก็รับข้างนอกมาหมดเลยแล้วมันเหนื่อยมากใช่ใช่มันไปเก็บขยะเข้าบ้านจิตนั้นถ้าเราไม่มีสติดูแลมันมันชอบหนีไปเที่ยวแล้วก็ไปขนขยะเข้าบ้านพอพอมันยิ่งไปมากๆมันยิ่งเหนื่อยแล้วมันเลยแบบยิ่งไม่มีกำลังกลับมาดูของตัวเองอีกเลรอแต่ว่าให้รู้ว่าไม่มีกำลังใช่ดูดูรู้ไปแล้วก็มันเหมือนรู้ยังไงก็ยังไม่กลางสนกาง มันอยากให้ขาดใช่ค่ะมันอยากให้ขาดมันก็ยังติดนะนั่นแหละให้รู้ตรงที่อยากให้ขาดค่ะรู้ตรงที่ใจไม่มีความสุขค่ะให้ดูเข้าไปตรงนี้แล้วก็มันมีแบบช่วงแวบแบบที่พอรู้ที่เมื่อกี้นี่บอกว่ารู้โดยที่ไม่ไม่รู้ว่ารู้อะไรอะค่ะในขณะที่มันมีอะไรบางอย่างยึดให้ค่าอยู่อะค่ะในช่วงขณะที่มันการรู้มันมันมัวลงนิดนึงเนี่ยค่ะ มันเหมือนมีความรู้ส uh. ึกเศร้าแท้ขึ้นมานิดๆสะเทือนสะเทือนอยู่นิดๆโอแบบ้โหนี่ขนาดเป็นการมีสติรู้นี่มันยังมันเหมือนเป็นทุกข์อยู่เลยเออดีละดีที่เห็นจิตพองครับจริงๆก็มากราบหลวงพ่อหลายครั้งแล้วนะฮะแต่ว่าพอมายอยู่ใกล้มันก็ยังมีสั่นอยู่นะฮะแต่ว่าความสั่นนี่หมายความว่ามันเป็นช่วงๆอย่างบางทีขณะคนถือไม้อยู่ทางโน้นเนี่ยมันก็เริ่มสั่นแต่ว่า ดูไปดูไปมันก็หายสาันขนาดนี้ก็ยังยังมีแต่ว่าก็ด้วยความที่ว่าเข้าใจแล้วสันก็สันไปไม่ได้ไม่ได้วังคับมันออย่างนี้เขาเรียกสันสู้ <c oughs> มันอยากสันเนี่ยจะไปห้ามมันได้ไงนะถ้าถ้ามันสันนะเราไม่ชอบมันนะเรากลุ้มใจนี่มันสันได้ก็สันไปคือว่าหนูเพิ่งเริ่มหัดเ อ, อเดินจงกร ม, มนะคะหลวงพ่อคนนีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดินเป็นตั้งแต่ยุเท่าไหร่อ <c oughs> เดนเป็นแต่เด็กค่ะเด็กๆเนอะขวบหนึ่งเดินได้ยังเดินได้แล้วค่ะจงกลมแปลว่าเดินนั่นแหละอ๋อค่ะเพราะงั้นถ้าถามว่าเราหัดเดินจงกลมเมื่อไหร่จงกลมแปลว่าก้าวไปก็ตั้งแต่ก้าวแรกที่พ่อแม่พาเดินนี่คนเราเดินได้มันเดินเลื่อยเปื่อยลืมเนื้อลืมตัวนะที่คุณหัดไว้แล้วเดินแล้วคอยรู้สึกรู้สึกใช้ได้ใช่ค่ะแต่ว่าหนูติดตรงที่ว่าบางครั้งเดินไปแล้วก็ อจะภาวนาพุโทโธให้ใจภาวนาคำว่าพุโทโธไปเรื่อยๆนะคะเพราะนี้ภาวนาไปบางครั้งเราเห็นคือครั้งหนึ่งเคยเห็นแต่ว่ามันไม่มีอะไรนอกจากเผลอคิดอย่างเดียวเลยเออนั่นแหละเผลอคิดตลอด <c oughs> จนมีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือรู้ว่าเที่ยวหนึ่งเราเผลอคิดกี่ครั้งเจ็ดครั้งั้งสามครั้งมบ้างบางครั้งครั้งหนึ่งก็เกิดความสงสัยว่าครั้งนึงเนี่ยคงไม่ใช่และรู้สึกเผลอน้อยผิดปกติเจ็ดครั้งในเวลาเท่าไหร่ ในระยะเวลาหนึ่งทางเดินนะคะค่ะเดินนานไหมก็ทางทางเนี้ยเดินานานไหมก็ได้สักยี่สิบเก้าค่ะเก้าละชั่วโมงโอ่ะบางคนมันเดินหลวงพ่ออยากรู้ว่าไอ้ที่เผลอเจ็ดครั้งเนี่ยมันใช้เวลาสักเท่าไหร่ถึงนาทีไหมเกินค่ะ เกินนาทีนะเดินช้าอย่าง29ที่มันแคบค่ะค่อยๆเดินเออดีได้หัวจะได้ไม่โขกอะไรน้อยค่ะใช้ได้ที่ทําอยู่ดีแล้วค่ะแล้วคราวนี้พอพอมีอยู่ครั้งนึงหนูก็นับนับนับความเผลอค่ะจากอํานับไปนับมานี่เหมือนเราไปตั้งใจนับเออนับตั้งใจนับเพื่อเครียดคือเราไม่เห็นเผลอเลยไม่เผ็นให้เราเห็นเลยค่ะ ต้องไม่ตั้งใจนะให้เผลอไปแล้วก็ค่อยรู้เอามันก็เป็นแบบเพ่งตลอดทางจนตัหัวทางถึงปลายทางถูกต้องถ้าจงใจดูก็เป็นการเพง่งเพราะงั้นให้เผลอลไปก่อนแล้วรู้ว่าเผลอรเรียกว่าตามรู้การดูจิตนี่ต้องตามรู้เผลอไปแล้วรู้ว่าเผลอถ้านาทีกว่ากว่าเผลอได้เจ็ดครั้งก็ดีแล้วละ่ะดีละเราไปชํานาญมากขึ้นจะเผลอทุกๆุสองวินาทีแล้วก็มีติดอีก อีกที่หนึ่งนะคะคือว่าคำภาวนาพุทโธที่เราท่องอยู่ในใจเนี่ยค่ะบางครั้งภาวนาไปแล้วพุทโธมันหายอืหนูก็เดินเดินไปก็พุทโธหายก็หาพุทโธก็หายไปไหนก็เรียกกลับมาค่ะพอเรียกกลับมาเดินเดินไปแล้วเรารู้สึกว่าพุทโธกลับกลายเป็นมันอึดอัดนะคะ ถ้าไม่ททิ้งพุโทโธเราจะเดินสบายกว่าเออแต่เราแต่ก็เกิดความสงสัยว่าคือพอใจเราฟุ้งซ่านนะเราก็หัดพุโทโธไปเรื่อยๆพอใจสงบนะใจจะวางพุโทโธไปเองถ้าพอใจเราสงบวางพุโทโธไปแล้วเราไปหยิบมาใหม่นะจะอึดอัดจะรู้สึกว่าพุโทโธเป็นส่วนเกินคําว่าพุโทโธจริงๆเป็นเหยื่อตกปลาจิตของเราที่สงบตั้งมั่นรู้ตื่นเบิกบานนะนะั่นแหละคือตัวปลา งั้นเราพุโทโธพุธโทโธไปจนจิตของเราตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกตัวแล้วเราได้ปลาแล้วเราก็ไม่เอาเหยื่อแล้วไม่ต้องเสียดายเหยื่อทิ้งไปได้วันไหนจะตกปลาใหม่ฟุ้งซ่านขึ้นมาก็พุโทโธเอาะงั้นพอใจวางพุโทโธแล้วไปหยิบฉวยพุโทโธขึ้นมาอีกก็จะอึดอัดจะรู้สึกว่าพุโทโธเป็นส่วนเกินเหมือนเราได้ปลาแล้วเราจะเอาเหยื่อไว้ทําไมเห็นไหมลอยให้เหยื่อค้างอยู่ในปากปลาใครจะไปกินลงใช่ไหม แล้วถ้าเราทิมพุทโธแล้วเดินต่อไปเรื่อยๆแล้วดูดวอะไรคะฮะเราก็รู้สึกตัวไปเผลอไปแล้วเราก็รู้เผลอไปแล้วก็รู้เรื่อยๆค่ะแล้วการเดินจงกรมในใ น, ในเดินเนี่ยนะคะหลวงพ่อไม่ทราบว่ามันไม่ใช่เผลอไปคิดอย่างเดียวบางครั้งการที่เราตายเห็นตายเห็นทางเดินหรือว่าเท้าเรากระทบเนี่ยแล้วเราไปรู้ตรงนั้นแต่เราลืมพุทโธในครั้งแรกๆเนี่ยคะ่ะ <ừ. S 1> เป็นการ เอเป็นไปเผลอไปดูเผลอไปฟังเผลอไปคิดนะให้เรารู้ทันว่าใจเราหลงไปดูแลรู้ทันว่าใจเราหลงไปคิดแล้วเราพุทโธเพื่อจะรู้ทันใจตัวเองหนียกว่าเราพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอะไรคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตของเรานี่แหละคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานงั้นเราพุทโธพุทโธพุทโธเล่นๆพุทโธแล้ก็รู้ทันใจตัวเองไปเรื่อย หลวงปู่บุญจันทร์เคยสอนนะผมเข้าเคยได้ยินท่านสอนบริกรรมพุทโธใจรู้พุทโธ ร, รู้ใจพุทโธเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าพุทโธแล้วก็รู้ทันใจตัวเองไว้พอเรารู้ทันใจแล้วก็ทิ้งสิ่งที่ช่วยทิ้งเปลือกคือพุทโธไปแต่บางท่านท่านใช้พุทโธตลอดสายนะใช้พุทโธบริกรรมกํากับไปตลอดเลยแล้วก็ดูจิตใจที่มันทํางานของมันไปเรื่อยๆถ้าอาจารย์มหาบัว ท่านบอท่านพุโทโธตลอดนะแล้วแต่เราแล้วแต่จิตใจแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างหลวงพ่อพุโทโธพุธโทโธไปช่วงพอใจรวมนะก็ทิ้งพุโทโธอาจะกลับไปพุโทโธก็อึดอัดไม่เอาพุโทโธละเราจะเอารู้จิตรู้ใจไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้เพียงจ้องที่ภาวนาอยู่ดีนะที่ทาต่อไปได้ค <Okay. S 1> ่ะส่งต่อไป ครับพระอาจารย์ครับก็คงคล้ายๆกันฮะเดินไปแล้วก็รู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่บ้าน<ม>เป็นเหมือนตอนนี้ไหมเป็นฮะอยู่บ้านก็จิตใจเหมือนตอนเนี้เหรอเอาไม่ใช่ฮะ <S <S อยู่อยู่ขนาดนี้รู้สึกว่านิ่งมากเออนิ่งเกินจริงนิ่งเกินจริง อ, อะนะปลมันไปลมันแต่เวลาเดินก็รู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาว่าเราเผลออยู่ตลอดเวลาเออดีอย่างนั้นดีแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันนิ่งเกินไปไม่แน่ใจว่ามันมัน ตรงถ้ามันนิ่งแบบนี้ป่ะอย่างตอนนี้มันนิ่งเกินไปตอนนี้นิ่งเกินไปออนิ่งเกินมันนิ่งเกิดจากเราจงใจปฏิบัติไปจ้องมันไว้จริงผมก็ปล่อยตามสบายนะแต่มันมีความรู้สึกของมันเองมันเคยชินเคยชินเคยชินที่จะเพ่งยังก็จะเพ่งต้องเอาเพ่งออกก็ให้รู้ทันมันครับถึงจุดที่ภาวนามาถึงจุดนี้แล้วเพ่งก็ไม่มีอันตรายอะไรเท่าไหร่ละรู้สึกไหมจิต ต่เกี้ยก็หลุดออกจากการเพ่งแว บ, บๆออกมาครับครับครับรู้สึกหลุดออกมาเอ่นั่นแหละรู้สึกหลุดออกมาแล้วมันกลับไปเพ่งก็รู้มหลุดออกมาก็รู้นะการเพ่งของคุณตอนนี้ไม่มีพิษมีภัยละครับไม่เหมือนบางคนตอนหัดเพ่งแล้วเพ่งแข็งปึ๊กอยู่นั้นนั้นมีปัญหาปล่อยไม่เป็นของคุณจิตมันยังหลุดออกมาใช้ได้ครับครับขับมาสการกันอ่า ก็ปฏิบัติโดยตลอดนะคะมีสติช่วยพูดใกล้ๆใหม่นิ่มีสติรู้ทันมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากคะ่ะดีดแล้วก็มีความรู้สึกเห็นจิตที่มันพอมันรู้อยู่เนี่ยแล้วมันก็ให้ค่าอย่างหลวงพ่อบอกนะคะแล้วมันก็ดับไปแล้วมันก็เกิดขึ้นมาใหม่อีกอก็รู้ทันรู้ตามมันไปนะจะหลงก็หลงไปช่างมันมเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้ในบางครั้งนะคะที่นั่งเจริญภาวนาเนี่ยนะคะ มันเหมือนกับว่ามันไม่มีกายเราก็รู้อยู่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมันจะเกิดอะไรมันก็เป็นเหตุปัจจัยของมันจิตเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็มันมันแทบจะนี่เดี๋ยวมันมันน้อยมากเลยค่ะหลวงพ่อก็รู้มันสักพักมันก็กลับมารู้มากขึ้นคือมันจิตมันก็รู้สึกว่ามันมันมันคล้ายๆมันไม่ได้หลีแล้วมันมันหนักขึ้นน่นะคะเราก็รู้อยู่ อย่างเนี้ค่ะหลวงพ่อควรจะดีไปดูไปเรื่อยๆในขณะนั้นไม่มีตัวเรารู้สึกไหมจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเรานะเขาทํางานของเขาได้เองนะดูอย่างนั้นแหะดีแล้วเห็นว่ามันเป็นเหตุมันเป็นปัจจัยอย่างนั้นจริงๆที่มันผสมผสานกันมันเป็นกระแสของเหตุผลที่เกี่ยวเนื่องกันไปถูกต้องแล้วว่านาเก่งขึ้นเยอะเลยนะเคยมาฟังหลวงพ่อไหมดีเอที่นั่นไม่ไหวคนเยอะ เวลาลูคินอ่ะสอนยากสอนยากเหียเป็นเยอะเกินตั้งเจ็ดแปดร้อยคนเรียนไม่ไหวหรอกของยมดีขึ้นเยอะเลยนะมีใครบอกไหมว่าสวยกว่าเก่าดีกว่าเก่าสดใสเนีน่ยถ้าคนใกล้ๆตัวคนในบ้านเรานะเขาจะรู้สึกได้เหมือนกันบงรู้สึกเราเปลี่ยนแปลงนะเราเปลี่ยนแปลงจิตใจเรามีความสงบร่มเย็ น, นคนท้าภาวนาถูกต้องนะใครเข้าใกล้ก็รู้สึกสบาย ถ้าเข้าใกล้แล้วรู้สึกเครียดน ะ, สะแสดงว่าไม่ได้เรื่องหรอกดีภาวนาดีอตอนนี้อะค่ะรู้สึกว่าเกิดเวทนาทางกายอะค่ะเพราะว่าพอดีรู้สึกมันมันก็จะเป็นลมอะ่ะแล้วก็หัวใจเต้นเร็วมากแล้วก็เมื่อกี้ที่มีคนแรงกรยายงานหลวงพ่อว่าก็เวลาเกิดเวทนาเนี่ยก็ให้ให้เห็นแบบ ผู้ดูก็เป็นคนดูอยู่แล้วก็กายก็ส่วนหนึ่งเวทนาก็ส่วนหนึ่งตัวเองไม่รู้สึกแบบนั้นนะคะรู้สึกว่าเอเวลาเรานั่งพระเพียบและขาชาเนี่ยก็โอเคว่าเราเราไม่ได้เราไม่ได้ฝึกแบบเวทนาเราก็พลิกเปลี่ยนได้เนี่ยนะคะมันก็ยังเป็นความรู้สึกว่าตัวเราเป็นคนเปลี่ยนเพื่อที่จะให้มันมันคลายจากจาก เนี<ม>่<า>ยไมใชทุกเพลิเพลนาแล้วก็เวลาฝึกที่ส่วนใหญ่จะติดเพ่งเนี่ยค่ะรู้สึกว่าจะติดเพ่งแล้วก็ปล่อยวางไม่ค่อยได้เหมือนกับว่ามันต้องมีอะไรยึดไว้สักนิดหนึ่งก่อนแล้วก็หรือว่าถ้าถ้าเราปล่อยไปเลยเนี่ยก็จะเป็นว่าก็ตามรู้อย่างที่หลวงพ่อว่าแต่ว่ามันก็จะเผลอค่อนข้างบ่อยแล้วก็เผลอคิดเนี่ยบ่อยที่สุดเลยค่ะเผลอคิดบ่อยอ่ถูกต้องแล้วนะถ้าเมื่อไรเผลอคิดเรารู้ว่าเผลอคิดนั้นน่นะปฏิบัติเสร็จแล้ว แล้วเก่งที่สุดเลยเพราะเผลอคิดน่าเกิดทั้งวันสมมติเราไม่รู้จักสภาวะอะไรเลยนะรู้เผลอคิดอันเดียวพอละเพราะเผลอคิดนี้เกิดบ่อยที่สุดเนี่ยตอนนี้เผลอคิดละทราบไหมภาวนาเก่งนะสองคนเนี้ยต่อไปเพิ่งมากราบหลวงพ่อข้างแรกค่ะยังไม่ทราบว่าจะเรียนถามตื่นเต้นไหมไม่ไม่ค่ะจิตใจเป็นไงมีปีติไหมจิตใจมีปีติไหม ให้รู้ทันปิตินะให้รู้ทันเห็นใจก็ส่วนหนึ่งปิติก็ส่วนหนึ่งคล่านกันค่อยๆสังเกตไปสังเกตไหมปิติลดลงดูออกไหมเนี่ยให้คยดูความรู้สึกของเราที่มันเปลี่ยนแปลงนะดูไปเรื่อยๆแต่อย่าเพ่งถ้าเราเพ่งเดี๋ยวมันจะเห็นโน้นเห็นนี่อะไรเงี้ยใจเลื่อนลอยไปให้พยายามรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันใช้จิตใจเหมือนคนธรรมดาเงี้ย เราไม่น้อมให้มันซึมไม่น้อมให้มันเคลิมนะให้รู้สึกตัวให้ชัดๆไปเรื่อยเนี่ยใจแอบลอยไปคิดแล้วทราบไหมใจไหลไปเนี่ยอย่างเนี้ยเนี่ยรียกอย่างนี้เรียกว่ารู้สึกตัวนะรู้สึกไหมมันโล่งขึ้นมาเลยนะเนี่ยรู้สึกบ่อยๆแต่ไม่ใช่ว่าห้ามเผลอนะต้องเผลอบ้างไม่เผลอเลยไม่ได้เราผิดปกติไปนิ่มสังเกตไหมตอนส่งใหม่ไปใจลอยไปด้วยลืมตัวเอง คุณผู้หญิงเนี่ยที่เพิ่งเลยมาแต่เกียกเสื้อเหลืองอะเอาป้ายกลับข้างหลวงพ่อเลยไม่รู้จะเรียกยังไง <c oughs> เมื่อกี้ใจลอยไปนะ <c oughs> ไม่ได้ฝึกที่พระจักษุย้อนหลังและตอนอช่วงสองสาวที่ก่อนก่อนที่ที่จะมากาลับหลวงพ่อก็จะมีความรู้สึกว่าใจิตใจมันมันจะไปจมกับความรู้สึกอะอย่างเกิดความรู้สึกโกรธหรือเศร้าขึ้นมามันก็จะแบบ ไม่ค่อยไม่ค่อยจะรู้สึกตัวมันจะจมมาแล้ว<ม> ก, ก็โกรธก็โกรธมากเศร้าก็เศร้ามากองี้ยค่ะแล้วพอเมื่ออาทิตย์ก่อนมากลับช่วงอาทิตย์นี้หลังจากกลับมา ก, ก็รู้สึกว่าจิตใจมันก็เบาลงแต่ที่นี้มันจะหลงหลงเอเรื่องคิดหรือเผลอคิดเนี่ยเยอะมากค่ะแล้วบางทีก็คิดไปนานก่็จะรู้สึกตัวแล้วบางทีก็สั้นๆอย่างเงี้ยค่ะในช่วงนี้ก็จะดีแล้วนี่แต่นี่มหารูปแบบไว้อันนะขยับไปก็ได้อะไรก็ได้นไม่ได้ขยับก็ค่ะแต่ว่าอาจจะอาจจะไปนั่งอ ดูหลงหายใจค่ะแต่ไม่ได้ทำปฏิบัติในรูปแบบอาจจะต้องกลับไปทำนะคะเดี๋ยวทิ้งรูปแบบถ้าทิ้งรูปแบบแล้วใจไม่มีแรงที่ภาวนาอยู่ดีดีขึ้นเยอะแล้วรู้สึกไหมใจเราโหล่งโล่งเบาสบายดีภาวนาได้ดีหมอทางสันกราบน้วพัธการหลวงพ่อครับช่วงหลังนี่ผมลุยอยู่เรื่องเดียวก็คือว่าปล่อยปล่อยแบบ ก็จนกับเรื่องราวของของความคิดหรือว่ า, าสิ่งยั่วยุข้างนอกแบบแบบ ท, ท้าทายนิดนึ ง, งเพราะว่าเราสงบร่มเย็นมานานแล้วเดี๋ยวนี้มันก็แม้กระทั่งหลุดไปอย่างนั้นเนี่ยพอรู้ตัวแล้วมันก็กลับมาสงบอยู่อีกก็ยังไม่รู้ว่ามันมันมันจะไปถึงจุดไหนถึงจะถึงจะกลับคืนสู่ความความพอดีพอดีของการเริ่มปฏิบัติคือคุณหมอทำแต่เดิมเนี่ยมันติดการเพ่ง ตอนนี้มันเพ่งน้อยลงมันจะฟูงซ่านเยอะขึ้นให้เรารู้ทันเรื่อยๆนะแต่เดิมเราเก็บกดเยอะตอนนี้กิเลสก็จะแรงอาจจะโมโหงุญหญนหะงิดอะไรเงี้ยแล้วก็คอยดูเอาใจเราต้องปล่อยของคุณหมอยังปล่อยไม่หมดนะดูออกไหมยังยังรู้สึกอยูย่เยอะมากเลยว่ามันมันสงบแล้วมันก็พอใจกับเรื่องของความสงบไปเรื่อยๆให้รู้ทันตรงนั้นนะใจมันยังติด ความสงบอยู่จ่งหลังพอปล่อยมากๆเข้าเห็นนิ่มทักทีผมก็ยังแปลกใจว่าที่ทําไมต้องทําหน้าอย่างนั้นด้วยอะไรย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีความโกรธไหลออกมาอ <c oughs> <ล>ะไรเงี้ยถ้าเราไม่ได้ฝึก เ, เก็บกดครับ <c oughs> ไม่ค่อยได้แสดงแบบแบบนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราเราปล่อยมาพอสมควรแล้วเหมือนกันดี <c oughs> ถ้าถ้าเราเกาะนิ่งๆอยู่นะมันไปไหนไม่รอดหรอก <c oughs> มันเหมือนเราจะข้ามสะพานนะเราเอามือจับราวสะพานไว้ จับกรรมฐานของเราไว้นิ่งเลยเนี่ยมือไม่ปล่อยนะข้ามสะพานไม่ได้หรอกแต่ว่าเดินเดินไปแล้วเซจะตกสะพานก็กว้ า, าไว้จริง mm hmm. นั้นสมถะเราก็ไม่ทิ้งทีเดียวแต่ว่าทำเมื่อยามจำเป็นเมื่อต้องการพักผ่อนเมื่อจิตใจฟุ้งซ่านจกนกระทั่งดูอะไรไม่ออกอะไรเงี้ยอันนี้สำหรับคุณหมอหนะ้าของคนอื่นควรจะทำทุกวันทุกวันแบ่งเวลาหนะ้านาทีสิบนาทีอะไรก็ควรทา นี่ของคุณหมอก็ติดสมถะมันหลายหลายปีเป็นสิบปีมัง่งติดมานานหลวงพ่อก็เลยไม่ได้บอกว่าให้ทำทุกวันไม่ใช่ว่าคนอื่นไม่ต้องทำทุกวันนะเดี๋ยวจะ่วยโอกาส ส, ส่วนก็คำถามส่วนตัวนี้เดียวนะครับหลวงพ่อในกรณีของของผมเนี่ยเมื่อเมื่อปล่อยอย่างนี้เนี่ยความรู้สึกที่ผมจะให้กำลังใจกับตัวเองว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันมา มันมาได้ถูกทางแล้วอะเนี่ยเป็น ม, ม, มีมีตัวชี้อะไรบางอย่างมันขึ้นมานเห็นกิเลสเกิดเร็วขึ้นไหมล่ะถ้าเห็นกิเลสเกิดเร็วขึ้ น, นเห็นสภาวะทีขึ้ น, นก็แสดงว่าสติเราดีขึ้ น, นต่อไปเราก็ดูไปเรื่อยใจเราก็จะเป็นกลางมากขึ้นแต่เดิมพอเห็นสภาวะแล้วจิตก็ยินดียินร้ายภาวนาไปมากๆรู้ทันจิตที่ยินดียินร้ายมากเข้ามากเข้าต่อไปสติระลึกรู้สภาวะได้บ่อยด้วยจิตก็เป็นกลางด้วย จิตก็ค่อยไม่ไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแต่งโดยที่ไม่ได้สร้างอะไรขึ้นมาจิตอย่างที่คุณหมอเคยทําแต่เดิมนะจิตมันไปสร้างภพขึ้นมาหนึ่งภพของลมสร้างภพของพล ม, พพลมคือน้อมใจให้นิ่งไว้ก็คือความปรุงแต่งอันหนึง่งแล้วภพอันนี้อายุยืนยาวนะนี้พอเราปล่อยทิ้งจากภพอันนั้นแล้วเราค่อยมารู้สึกเอารู้สึกเอาแต่และภพจะสั้นๆสั้นลงสั้นลงถึงจุดหนึ่งจิตไม่สร้างภพอะไร จิตสักว่ารู้สักว่าเห็นไม่ปรุงแต่งอะไรจิตที่มันไม่ปรุงแต่งนี่มันจะเข้าถึงธรรมความปรุงแต่งทั้งหลายนะั่นแหละกั้นเราไว้จากธรรมะนั้นความปรุงแต่งไม่ว่าจะดีวิเศษแค่ใดพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าภพนะท่านบอกภพไม่ว่าจะวิเศษแค่ไหนก็ใช้ไม่ได้งั้นกระทั่งภพของผลมที่เราสร้างขึ้นมามันก็เป็นภพที่เป็นเข้าไปตั้งอยู่นะก็ไปจมอยู่กับมันเป็นทุกทุกแบบผลม นี้พอเราปล่อยออกมาจิตใจเราขยับเยื่ยนเคลื่อนไหวเราคอยรู้สึกไปไม่ได้เติมแต่งอะไรลงในการรู้เช่นมันโกรดขึ้นมาไม่ได้ไปห้ามมันแต่ว่าไม่ผิดศีลห้าต้องถือศีลห้าไว้ก่อนมันโลภขึ้นมาก็รู้ว่ามันโลภไม่ห้ามมันแต่มีศีลห้าเนี่ยคือเราไม่ทําผิดทางกายทางวาจาแต่ทางใจเนี่ยเราปล่อยให้มันทํางานเราจะดูมันเราจะเรียนรู้มัน เราเรียนรู้เราก็จะเห็นเลยมันทํางานทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะพอรู้ทันบางทีใจเราก็หลงยินดีบ้างยินร้ายบ้างพอเรายินดีเรายินร้ายขึ้นมาเราก็จะหาทางจัดการแลเช่นมันมันโกรธขึ้นบ่อยๆแล้วอยากให้หายหาทางจัดการการเข้าไปจัดการเรียกว่าการสร้างภพนั่นเองดังนั้นเมื่อไรที่ใจเราเข้าไปจัดการเข้าไปทํางานนะเรียกว่าสร้างภพทั้งนั้นเลยสิ่งนี้เราปิดกั้นเราไว้จัดธรรมะ แต่ท้าเมืไรเรารู้ทันจิตใจของเราจิตใจเรากระทบอารมณ์นะเช่นเห็นความโกรธเกิดขึ้นเราไม่ชอบเนี่ยเราไม่ชอบเรารู้ทันความยินร้ายที่เกิดขึ้นใจไม่ทําอะไรต่อก็ดูความโกรธผ่านมาแล้วก็ผ่านไปหรืออารมณ์อื่นผ่านมาก็ผ่านไปเนี่ยใจไม่ยินดีไม่ยินร้ายใจที่มันไม่ยินดียินร้ายมันเป็นกลางรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นะไม่ไปหลงปรุงอะไรขึ้นมาอย่างเวลาเราขาดสตินะี่จิตแอบไปปรุงนะ แต่พอเรารู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยบางทีจิตก็ไปปรุงต่อหน้าต่อตาเนี่ยไปหลงยินดียินร้ายเข้าไปทำโน่นทํานี่ห้ามมันไม่ได้หรอกแต่ว่าคอยรู้มากเข้ามากเข้าต่อไปเขาไม่ปรุงเขารู้แล้วก็จบลงแค่การรู้เมื่อไร่รู้แล้วจบลงแค่การรู้เนี่ยมันใกล้ต่อมรคนิพพานแล้วลนิพพานเนี่ยเป็นความไม่ปรุงแต่งดงั้นที่หลวงพ่อคอยแคะคุณหมอออกมาจากภพอันนั้นภพอันนั้นก็คือความปรุงแต่ง ภพของพรหมก็คือความปรุงแต่งมันก็ขวางเราไว้จากนิพพานนั่นเองภพไม่ว่าจะดีวิเศษแค่ไหนมันก็คือภพพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าภพเหมือนอุจจาระนะก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็ไม่น่ารับประทานแต่เราก็รู้สึกก้อนเล็กก็ดีกว่าก้อนใหญ่ใช่ไอมถ้าจำเป็นต้องรับประทานนะภพของเทวด า, า, า, อาของมนุษย์ก็ดีกว่าภพของสัตว์นรกเปรตอสุรากายอย่างเงี้ยนะ ร, รู้สึกอย่างนั้น ก้อนเล็กหน่อยคํําคาถามเนี้ยมีตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วอะค่ะถามลุงพ่อไม่ทันอก่อนที่อาทิตย์ที่แล้วที่จะมาวัดเนี่ยค่ะเตรียมตัวไว้ก่อนแล้วว่าจะมาแล้วที่นี้พอตื่นเช้าขึ้นมาเลยมีความรู้สึกว่าไม่อยากมาตัวเองก็เลยนึกได้ว่าเอ๊ะทาไมเนี่ยตัวเองนี่มีเวรกรรมจริงนะจะมาวัดทั้งทีทําไมถึงไม่อยากมา พอนึกได้แค่นั้นก็เลยบอกตัวเองว่าให้ตัวเองอใจเย็นๆแ ล, แล้วแล้วมีลูกนะคะก็เลยจัดการกับลูกแบบทำท ำ, ทำตามสเต็ปของของควร อ, อันไหนที่เราควรจะทําก่อนหลังแล้วก็ไปส่งลูกก็ลืมสภาวะตรงนั้นไปนะคะว่าตัวเองไม่อยากมาพอาะยังไงก็ต้องมานะคะว่าจะมาและทีนี้พอไปส่งลูกค่กลับจากส่งลูกอะค่ะขับรถมาแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตัวเองมีความสุขจังนะคะขับก็ พอรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขตัวเองก็เลยแผ่เมตตาแล้วก็ทําสมาธินะครับพอก็กลับมาก็มาอาบน้ําอาบน้ําแล้วก็มาวัดเนี่ยค่ะระยะทางที่มาเนี่ยตัวเองมีใจมีความรู้สึกว่าใจเบิกบานมีความสุขก็กยังนึกถึงว่าทําไมวันนี้มีความสุขผิดปกติมานั่งอยู่ในศาลานเนี่ย ก, ก็ยังมีความรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขใจใจบานมากค่ ะ, คะ แล้วทีนี้ก็เลยนึกสภาพไปว่าเอ๊ะวันนี้ยังไม่ได้ทําอะไรที่ทําให้ตัวเองมีความสุขขึ้นมาได้ก็เลยนึกถึ ง, ถ, งถึงสภาวะตรงตร ง, ตรงที่ว่าไม่อยากมาวัดแล้วตัวเองก็ไม่ได้นึกถึงเ อ, อก็เลยอยากจะถามหลวงพ่อว่ามันเป็นเพราะสภาวะนั้นหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะอะไรอะคะ่ะไม่เคยเราพยายามอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆค่ะอย่างเรามีงานเราจะต้องดูแลลูกอะไรเงี้ยเราไม่ไปคิดฟุ้งซ่านไปอดีตอนาคต เรารู้อยู่เฉพาะหน้าเราทําอยู่เฉพาะหน้ามันทําให้มีความสุขค่ะไม่ไม่ใช่เพราะว่าไม่อยากมาวัดอะไรน้นมันไกลไปไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันหรอคะไมเกี่ยว น, น ะ, ะนวนะอ๋อแล้วทำไมทําไมเวลาจะมาแต่เกดตุศีถ้าเมืไรยอยู่กับปัจจุบันจะมีความสุขอ๋อแล้วคนะอย่างเราทําอะไรเราก็จดจ่ออยู่กับการทํามันนั้นก็มีความสุขค่ะแล้วทําไมเวลาอย่างอย่างจะมาวัด ทุกทีหรือไม่ว่าจะไปที่ไหนที่ที่เป็นวันนะคะทำไมมีความรู้สึกแบบนี้บ่อยๆอะคะ่ะว่าไม่อยากมาเหออหลวงพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันแ <c oughs> <c oughs> ้วหลวงพ่อเคยเป็นแต่อยากไปวัด น, นั่นน่ะสิคะแบบก็ <c oughs> ก็ไม่ได้ว่าตัวเองลําบากที่จะมาไม่ได้นะคะแต่ว่ามีความรู้สึกแบบนี้บ่อยมากแล้วแบบต้องต่อสู้กับมันนะคะแล้วสู้เอาชนะให้ได้ะมา <c oughs> บ่อยๆค <c oughs> ่ะมาแล้วก็มานั่งดูความรู้สึกของเรารู้สึกไหมใจเราโปร่งใจเราโล่งขึ้นมาค่ะ แต่เราสบายขึ้นมาค่อยรู้สึกไปมาตั้งฟังนะเราจ ะ, ะได้ตื่นได้เต็มที่ขึ้นมาถ้าเราละทิ้งโอกาสที่จะได้ฟังธรรมะที่เกี่ยวกับความรู้สึกตัวนี่เสียโอกาสมากเลยน้อยน้อยคนนะที่จะได้ฟังธรรมะเกี่ยวกับความรู้สึกตัวขึ้นมาค่ะเพราะเพื่อนห น, หนูเล่นคอมอยู่เพื่อนก็บอกคุยกันธรรมะนะคะเพื่อนก็บอกว่าอยู่ใกล้อาจารย์ต้องมากราบบ่อยๆคนอื่นเขาไม่มีโอกาสได้มา หนูอยู่ใข่ต้องมาบ่อยๆหนูก็พยายามที่จะมาบ่อยๆแล้วก็พยายามนึกว่าการที่จะมาหนูหนูพยายามนึกว่าหนูจะไม่ยึดติดอาจารย์นะคะแต่ว่าหนูจะมาเอาคําสอนมาไม่ต้องเอาอะไรก็ได้นะมานั่งฟั ง, ฟงเฉยๆยแหลนะแบบแต่หนูไม่รู้ว่าหนูคิดถูกหรือว่าเป็นอะไรนะคะแต่เป็นเป็นความรู้สึกที่หนูอยากเล่าเฉยๆแต่ไม่ไม่ได้แบบไม่ได้กล่าวว่าจะแบบพูดจาแบบลบหลู่เลยกลัวกลัวพูดผิดนะคะ ไม่ผิดอะไรหรอกเรามาฟังนะใจเราค่อยๆตื่นขึ้นตื่นขึ้นต่นน <c oughs> ตอไปร่างกายเราเคลื่อนไหวสติจะเกิดจิตเคลื่อนไหวสติจะเกิดมันจะรู้สึกได้ทั้งวันนะแล้วใจจะมีความสุขค่ะลูกเมื่อคืนลูกบอกว่าเอ๊พักเนี่ยแม่หนุมีความรู้สึกว่าแม่ใจดี <c oughs> <c oughs> บอกว่าพตอก่อนหนูดูใจใจลายไงคะหนุ่จะิดว่โห <ะ> เ, เด็กๆมันพูดซื่อๆหลวงพ่อถึงบอกไงคนภาวนานะถ้าทำถูกต้องนะคนรอบๆตัวมันรู้สึกนะรู้สึกในบ้านมันสงบในบ้านมันร่มเย็นถ้ายังร้อนอยู่แสดงว่าทำผิดอยู่ค<ะ>่ะดีอะไปปิน่นก็สติเกิดทั้งวันนะครับบางครั้งก็มาจากทางอากุศลแล้วก็อกุศลครับ อันนี้ก็บางทีก็ขยับกายก็เกิดแล้วก็ไหลไปคิดมันก็ตัดครับแล้วก็บางทีมันรู้ลงที่กายมันก็ไม่ใช่เราแต่ว่าจิตมันยังเป็นเราอยู่ครับ<ด>ก็ดีดูไปเรื่อยครับคือโดยรวมก็คือตั้งแต่ตื่นเช้ายันหลับอะครับก็ไม่เคยขาดขณะนี้ตื่นเต็มที่ไหมขณะนี้ไม่ครับเพราะว่าเมื่อคือนนอนไม่ค่อยได้หลับเออบถูกใช้ได้ละวผ่านครหลวงผ่านิดว่าถ้าตอบว่าตรงนี้ตื่นเต็มที่แล้วต้องปุ่ยกันยาว <laughs> ขอบคุณครับ ช่วงก่อนจิตฟุ้งซ่านบ่อยค่ะแล้วแต่ว่าทําสมาธิไม่เก่งค่ะเดือนนี้ไปทำสมาธิยังง่ายแล้วใจมันพร้อมจะสงบอยู่แล้วแค่เรารู้สึกตัวนะใจเราก็เริ่มสงบแล้วอย่างเวลาความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นเรารู้ทันรู้สึกไหมใจมันสงบใจมันโล่งใจมันสบายเราฝึกไปเรื่อยๆอย่างกิเลสต่างๆเกิดขึ้นมาเรารู้ทันรู้ทันนะใจมันสงบเองอะ การทำสมาธิต่อไปทำง่ายการที่เราคอยดูจิตตัวเองอะไรเกิดขึ้นคอยรู้คอยรู้ไปนะสมาธิเกิดขึ้นเองด้วยมันเป็นการปฏิบัติในแบบที่เรียกว่าใช้ปัญญานำสมาธิปัญญาเกิดขึ้นก่อนคือตามรู้ตามดูได้เรื่อยๆใจก็วางไปวางไปใจก็สงบมากขึ้นมากขึ้นรู้สึกไม่ใจฟุ้งซ่านน้อยล ง, อ, ยลงออกวา่างไหม น้อยลงกว่าช่วงไหนคะช่วงก่อนอะไรนะน้อยลงกว่าตอนไหนคะฮะน้อยกว่าแต่ก่อนสิ <c oughs> มันเป็นพักๆอะมันไม่ใช่น้อยกว่าเมื่อเมื <c oughs> <c oughs> ่อพรุ่งนี้ต้องน้อยกว่าเมื่อวาน <c oughs> <c oughs> แล้วตอนดูจิตบางครั้งไม่แน่ใจว่าเราไปจ้องมันอยู่หรือเปล่าคะเราไม่รู้ว่ามีนิดหน่อย <c oughs> จงใจดูอยู่นิดนึง <c oughs> ถ้าจงใจดูนะสังเกตง่ายๆเลยใจมจะแข็งแข็งจะแข็งขึ้นมา สับสนระหว่างรู้เฉยๆกับเพง่งเอาไว<ห>้<ะ>ให้รู้ว่ากําลังสับสน<อ>ถ้ารู้ถูกต้องเนี่ยใจจะโปร่งโล่งเบาถ้าไปเพ่งไว้ใจจะอึดอัดขัดข้องแข็งแขงเกร็งเนะ็ง่สังเกตง่ายๆเลยหลงไปคิดบ่อยมากออกแล้วก็รหรู้ช้าหลงคิดบ่อยหรือหลงคิดนานหลงคิดบ่อยแล้วก็บางครั้งก็นานแล้วก็รู้ชา้าค่ะเออคือถ้ามันบ่อยมันก็ต้องไม่นาน ถ้ามันนานมันก็ไม่บ่อยใช่ไหมแต่ที่ต่อมาถูกต้องแล้วนะบางวันมันก็หลงบ่อยใช่ไมบางวันมันก็หลงนานใช่ะ <c oughs> บางวันอย่างคนทั่วๆไปมันหลงวันละครั้งคือนานมากเลยตั้งแต่ตื่นจนหลับแต่ถ้าเราภาวนาชำนาญนนะ้นมันจะหลงบ่อยใจไหลแวบรู้สึกแวบรู้สึกแวบรู้สึกที่ทาอยู่ถูกต้องแล้วนะอย่าไปกลุ่มใจเลยเกินหนงเกินน ที่ภาวนานี่ถูกมากหรือเปล่าคะอะไรนะที่ดิฉันภาวนาเนี่ยครับถูกต้องมากหรือเปล่าคะถูกสิภา <c oughs> วนาก็ดีทั้งนั้นแหละต้องแก้ไขอะไรหรือเปล่าคะไม่ต้องแก้นะอย่าบังคับตัวเองเยอะให้ตามดูอย่าเผลอบ่อยอย่าลืมเรื่องภาวนาก็แล้วกันรู้สึกบ่อยๆใจเราเป็นห่วงลูกเราก็รู้ว่าใจเป็นห่วงนะใครรู้ทันใจของเราเอาลูกเรามาทำกรรมฐานก็ได้ อ้าวไม้มันรู้สึกตัวขึ้นมาเองเลยครับเม น, น่อวานเหรอไอตอนนี้ไม่ตอนนี้แข็งๆครับเออตอนนี้แข็งไปละกลายเป็นศิลาละครับ <c oughs> แต่ว่ามันไม่ได้ทําอะไรเลยอย่างเมื่อวานมันก็รู้สึกตัวขึ้นมาเฉยๆเลยครับ <c oughs> ทํารู้สึกว่ามันธรรมชาติมากดีแล้วดูกายไปไหมนะไม่ต้องดูจิตแล้วดูกายกับดูจิตมันจะไปบรรจบกันตรงไหนอะครับตอนที่ทมันรู้สึกตั ว, ตวขึ้นมาอ๋อล้วครับ ถ้วรู้สึกตัวขึ้นมาอย่างท่องแท้แล้วไม่มีกายไม่มีจิตอะไรหรอกเดี๋ยวสติก็รู้กายเดี๋ยวสติก็รู้จิตรู้แล้วก็วางไปเรื่อยๆไม่ได้ไปหยิบฉวยมันไงต้อมเป็นธรรมดายัางยังครับตอนนี้ยังแต่เมื่อเช้ารู้สึกเป็นธรรมดามากกว่านี้ออตอนนี้รู้สธรรมดามากหนึ่งครับแล้วก็มีเขาสึกว่าโยนไอ้ตัวกระหายปัญญาทิ้งไปได้แปดสิบปอร์เซนแล้วครับตัวอะไรนะ จิตที่กระหายปัญญาที่จะคอยวิง่งวิเคราะห์วิจัยต่างๆยวนไปได้ 80% ดีอย่างนั้นก็จะสบายขึ้นครับแต่ก็ยังอยากได้ความรู้อีกนิดหนึ่งครับว่ามาตรงภาหิยะครับสูตรที่บอกว่าสักว่ารู้สักว่าได้ยิน<ม>แต่ตรงทราบสักว่าทราบเนี่ยครับต้มตมยกไมค์ใกล้ๆปากเ อ, อเห็นสักว่าเห็นได้ยินสักว่าได้ยินอันนั้นเข้าใจครับแต่ทราบสักว่าทราบตรงนี้มันคืออะไรครับเนร่อใจสภาวะใดๆเกิดขึ้นนะถ้าจิตไปรู้เข้าก็รู้มัน ร, รู้รแล้ว<จ>ไม่เติมอะไรลงในการรู้คือท่านรวมอายตนะที่เหลือเข้าไปที่ทราบท่านไม่อยากพูดหอันเพราะว่าท่านภาหิยะเก่งแล้วไม่ต้องพูดหกอันแล้วเสร็จแล้วก็แค่นี้ก็ถึงรู้แจ้งละท่านถึงบอกเมื่อรู้แจ้งก็ให้รู้ว่ารู้แจ้งก็จบลงแค่นั้นเห็แม้ท่านบอกว่าดูก่อนภาหิยนะในการใดแลเมื่อเห็นจักเป็นศักว่าเห็น เมื่อฟังจากเป็นศักว่าฟังเมื่อทราบจากเป็นสักว่าทราบเมื่อาารู้แจ้งจากเป็นศักด์ว่ารู้แจ้งในการนั้นท่านย่อมไม่มีเมื่อท่านไม่มีในปัจจุบันท่านไม่มีในอดีตในอนาคตนะนี่แหละที่สุดแห่งทุกข์เมื่อเราพยายามฝึกเรารู้สภาวะทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วอะไรเกิดขึ้นที่ใจเรานะให้ทราบลุกเดียวเลยทราบไปเรื่อยๆ ถ้าเราทราบอย่างมีสติถูกต้องเนี่ยมีสติถูกต้องปับ๊บไม่ปรุงแต่งอะไรลงไปไม่คิดนึกปรุงแต่งนะเราจะเห็นเลยสภาวะทั้งปวงนะั้นไม่มีตัวตนเช่นความโกรธเกิดขึ้นความโกรธไม่ใช่ตัวเราความโลภไม่ใช่ตัวเรานะร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวเรานี่ตัวท่านแล้วไม่มนะีตัวท่านไม่มีแล้วนี่แหละความทุกข์มันก็ไม่มีล้วเพราะความทุกข์มันอยู่ที่กายกใจนี้คนทั่วๆไปก็เห็นความทุกข์ ที่อาศัยอยู่ในกายในใจที่เนื่องด้วยกายด้วยใจเห็นกายกระใจเป็นที่ตั้งของความทุกข์ถ้าปัญญาแก่รอบจริงเห็นอริยสัจจะเห็นว่ากายกระใจนั่นแหละตัวทุกขนะ์มีหลายชั้นอยากกระหายมากนะถ้าพาหิยะไม่กระหายมากนะแต่กว่าจะเป็นพาหิยะต้องตายเลยนะต้องขึ้นเขาไปถีบบันไดทิ้ง ใจขนาดนั้นน่ะโอ้โหท่านไปกันหลายองค์ใช่ไหมจะตายด้วยกันหลายองค์เนี่ยอกจากตื่นเต้นครับอะไรมันจะตื่นอะไรทั้งมันได้ <c oughs> ช่วงอาทิตย์ก่อนจิตไม่มีแรงเลยครับ <c oughs> แล้วก็มันก็ไม่มีแรงจะสู้เท่าไหร่แล้วครับ <c oughs> ก็ดูไปเรื่อยๆก็เห็นมันกิเลสเยอะมากเลยครับ <c oughs> แต่ช่วงเนี้ยภาวนาดีขึ้นละพึ่งเป็นเมื่อสองสาวันเนี่ยครับมันมันไม่มีแรงดิ้นมันก็เลยมันมันดูแบบไม่เอาสติครับเออนั่นแหละมันต้องหมดเรี่ยวหมดแรงนะดูแบบไม่รู้จะทําไงแล้วแบบหลังชนฝาแล้วไม่รู้จะสู้ยังไงกิเลสให้มันถลุงข้างเดียวเลยมันไม่มีแรงอยาประคองอแต่ก่อนนี่เวลาไปดูมันจะมีความรู้สึกว่าดูเพื่อที่จะให้มีสติอืมตอนนี้ดูก็ดูไปอย่างนั้นเออนั่นแหละดีละ มันก็มีผมโมหะเยอะโลภะก็เยอะอโทสะาบางทีก็เยอะเออมันเยอะหมดเลยมันกินพื้นที่ไปหมดและคือมีแต่กิเลสครับไม่ไม่ใช่มีแต่กิเลสหรอกทุกครั้งที่รู้ว่ามีกิเลสคือมีสติเพราะฉะนั้นถ้าจาักเห็นกิเลสเยอะก็คือสติเยอะหละแต่มันมันไม่รู้สึกเหมือนกับว่ามันตื่นออกมาเหมือนไม่ต้องรู้สึกหรอกไม่ต้องอยากรู้สึกครับนะ มันรู้ไปเท่าที่มันเป็นรู้สึกไ้มใจมันค่อยมีแรงมันไม่ดิ้นแต่มันมีแรงมันมีเบาๆครับเออต้องเบาๆนะไม่ใช่แรงแข็งๆนะแรงอย่างนี้ไม่ใช่นะแต่เดี๋ยวมันคงมีใหม่ครับเดี๋ยวพอมันมีแรงมันก็กลับไปประคองใหม่อะไรนะมันมันจะเป็นไซเคิลครับ พอเดี๋ยวพอมันได้ที่พอมันมีแรงที่มันจะกลับไปประคองให้มันสว่างสว่างใหม่เออนะ้วก็ผิดไปอีกตั้มหลงไปแล้วแล้วตั้มก็บังคับอยู่ตลอดเวลาเลยดูออกไหมขณะเนี้ยบังคับอยู่นะนะรู้สึกว่ารอบแรกมันดีกว่ารอบสองนะครับรอบนี้เป็นโรคแพ้อาหาร <laughs> <laughs> เหมือนเหมือนรอบสองแบบมันบังคับนะครับแ บ, แบบกดเอาไว้ไม่เพราะว่า เราง่วงง่วงใจมันมัวมัวเราก็ฝืนมันมันก็เลยไปฝืนมันเข้าไม่มีเป็นไรไม่เป็นไรไม่มีปัญหาแล้วอย่างรอบแรกนี้มันติดสมถะหรือเปล่ารครับไม่เป็นไรดูไปใช่ได้เพราะว่าป อ, ป, อปอแบบดูไม่ออกว่าช่วงไหนที่มันสมถะจากการเพ่งกับช่วงไหนสมถะกับการรู้ตัวครับก็ถ้าถ้าเพ่งเอาใจก็ทื่อๆไม่มีความสุขหรอก ผมก็มาครั้งนี้ครั้งที่สองครับหลวงพ่อก็ผมจะเป็นคนที่พูดสรุปอะไรเกี่ยวกับสภาวะข้างในไม่ค่อยได้ครับก็อยากให้หลวงพ่อบอกว่าผมพอจะปฏิบัติได้<อ>ถูกนะบ้างหรือเปล่าครับ <c oughs> <c oughs> อะไรนะครับขนาดนี้รู้สึกตัวยังก็ไม่ทราบครับผมขนาดนี้ใจมันไม่ถึงฐานมันใจมันไม่ตั้งมั่นครับ <c oughs> แต่ว่าไม่ต้องกังวลใจหรอก เบื้องต้นเนี่ยหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆจิตใจมีความสุขก็รู้จิตใจเป็นทุกข์ก็รู้นะจะเป็นกุศลนะกุศลอะไรคอยรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันเข้าที่เองที่ทำอยู่พอใช้ได้แล้วแต่ใจมันยังไม่มีแรงรดูบ่อยๆเ ห, หมเผลอละตอนส่งไมล์เนี่ยเผลอไปรู้จักเผลอหรือ ย, ยงังเผลอบ่อยไหมวันหนึง่ง นะหากระดาษไว้แผ่นหนึ่งนะแล้วลองจับเวลาห้านาทีเหลือกี่ครั้งเอาห้านาทีพอแล้วพรุ่งนี้มาจับอีกใหม่ห้านาทีใหม่แต่อย่าไปเพ่งไว้นะนั่งพุตโธไปก็ได้อะไรไปก็ได้เคยทํากรรมฐานแบบไหนอดูท้องพองยุบเหลืออาดูลมหายใจก็ได้รู้ลมหายใจไปนะแล้วพอใจลอยแว้บไปก็รู้ว่าหลงไปหนึ่งครั้งละ รู้ลมหายใจไปแล้จิตก็ไหลไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่ลมหายใจเนี่ยรู้ว่าเพ่งไปหนึ่งครั้งละแล้วก็คอยดูไปเรื่อยว่าจะเผลอสักกี่ครั้งสักห้านาทีเนะี่ยยังขนาดเนี้ยเรียกว่าเผลอละหลงไปคิดตามที่หลวงพ่อพูดละเมื่อไหร่เราใจเราไหลไปคิดลืมกายลืมใจตัวเองนะหลวงพ่อเรียกว่าหลงหมดเลยแต่ในทางโลกเขาไม่ถือว่าหลงแล้วเขถือว่ายอย่างนั้นก็ดีแล้วเนี่ยตอนนี้ใจหนีไปคิดอีกล่ะทราบไหม ยังไม่ไม่ต้องเกรงใจเนี่ยเกรงใจหลวงพ่อไม่ต้องกลัวจะหลวงพ่อเสียกําลังใจใ <c oughs> ครใครดูไปใจเรานะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายดูไปเรื่อยๆความจริงดูแค่ว่าใจเราเนี่ยแตเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยๆหมุนเวียนอยู่อย่งนี้ดูอยู่แค่นี้ก็พอละเนี่ยใจแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหม ใจมันไหลไหลไหลไปคิดให้เรารู้ทันไม่ห้ามนะถ้าห้ามเราเครียดห้ามไม่ห้ามเลยอ่ะส่งตอไปส่งตอไปมามักการหลวงพ่อเจ้าค่ะครั้งนี้ก็มาเป็นครั้งที่สองเหมือนกันค่ะส่วนมากเนี่ยจะใช้ฟังซีดีเอาเพราะว่าไม่ใกล้ที่นี่แล้วก็หยุดงานไม่ค่อยได้ เ, เท่าที่ฟังเนี่ยจากการเรียนรู้ได้ตัวเองเนี่ยก็คือ คอยดูคอรู้ไปแต่เราก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่เราดูเรารู้เนี่ยเราดูเรารู้ถูกหรือเปล่าก็จะกราบถามหลวงพ่อนะคะว่าที่ทําอยู่เนี่ยมันพอจะถูกทางบ้างไหมแล้วก็รู้สึกตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่หลงหลงบ่อยค่อนข้างเป็นคนที่มีจินตนาการแบบว่าเยอะอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าตัวเองหลงหลงได้บ่อยๆแล้วก็จะ เวลารู้สึกตัวเนี่ยก็จะรู้สึกตัวแบบว่ารู้สึกตัวโดยที่ตั้งใจมากกว่ารู้สึกตัวโดยที่ไม่ได้ตั้งใจคะ่ะอย่างน้อยก็เรียนรู้ตัวเองได้นะว่ารู้สึกตัวอย่างตั้งใจเนี <c oughs> ่ยคอยเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเราเองไปเรื่อยๆที่ทำอยู่พอใช้ได้ละแต่ว่ามันคิดมากเกินไปเราไอ้คลิปที่เรียกว่าบังคับอะหากับ การหาเครื่องช่วยคือทุกวันนี้พยายามฝึกโดยการสัมผัสนิ้วเวลามนึกอะไรไม่ได้ก็สัมผัสนิ้วไว้ก่อนอย่างนี้เรียกว่าการบังคับด้วยหรือเปล่าคะประจงใจปจงใจทำประจงใจทำใจเราจะทื่อๆแข็งๆขึ้นมาใจไม่สบายจิตใจที่ดีที่สุดนะคือจิตใจปกติจิตใจธรรมดาที่สุดของมนุษย์ธรรมดานั่นแหละมนุษย์เนี่ยเป็นชื่อของผู้มีใจสูงคาว่ามนุษย์ผู้มีใจสูง นั้นใจของมนุษย์นี่เป็นใจที่เหมาะกับธรรมะมากที่สุดเลยพวกเราชอบทิ้งจิตใจของมนุษย์ไปสร้างใจของพระพรหมขึ้นมาใจที่นิ่งๆทื่อๆพระพรหมไม่เรียกว่ามนุษย์นะพระพรหมไม่ได้ใจสูงพระพรหมใจนิ่งนั้นใจนิ่งไม่ใช่ใจสูงนะใจของเราปกตินี่แหละเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเนี่ยใจชนิดนี้เหมาะกับการปฏิบัติธรรมมากที่สุดเนี่ยใจลอยไปแล้วรู้สึกไหมเนี่ยใจมันหนีไปอย่างนี้ให้เราคอยรู้ ไม่บังคับมันเนี่ยกลับไปเข้าไปจ้องใส่ล้วรู้สึกไหมไม่อัดเข้าไปในนั้นไม่ไม่หลงไปไม่บังคับไว้เนี่ยหลงไปอีกแล้วทราบไหมเนี่ยเริ่มบังคับอีกแล้วอัดเท่าไหระรู้สึกไหมวนอยู่แค่นี้แหละไม่เผลอไปก็บังคับนะไม่เผลอไม่บังคับก็รู้สึกมีสามัญนวนอยู่เงี้ยห้ามไม่ได้นะเลือกไม่ได้ด้วยไม่ได้เรียนเพื่อจะเลือกด้วย นะรู้ก็รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้ไม่เป็นไรแต่ให้เห็นเลยเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็เพ่งทุกอย่างล้วนแต่ไม่เที่ยงต้องการดูให้เห็นแค่นี้เองนะอ่ะส่งต่อไปมาสการหลวงพ่อเจ้าค่ะวันนี้หนูจะมาปฏิบัติก็เลยรู้สึกว่าวันนี้ตั้งใจมากจะมาอยู่วัดหรือจะอยู่อยู่วัดเปล่าวันนี้อยู่ค่ะเอองั้นก็ข้ามไปก่อนไปอ่ะไปองมีอะไรไหมอง อาเอะสกเอาเลยอมแหละถือใหม่แล้วเอาก็ก็ก็ยังคิดว่ายังเพ่งอยู่ค่ะใช่ใช่ตอบถูกแล้วใช้ได้เท่าเที่ทําอยู่เนี่ยนะคะคือพอรู้ปั๊บก็หยุดอยู่ตรงนั้นแล้วเดี๋ยวมันก็ไปต่อแล้วก็ไม่อย่าอย่าไปกดใจให้ซึมก็แล้วกันพอรู้ก็หยุดอยู่ตรงนั้นอย่าไปข่มมาให้นิ่งๆนะเฉยเฉยมันเฉยไปคือไม่ใช่คือหยุดเนี่ยใจมันสงสัยแวบหนึ่งทราบไหมค่ะทราบค่ะ อย่านี้ให้มันปล่ให้มันมันอย่างสงสัย แ, บบแวบเราก็รู้ทันแล้วก็ไ ป, ไปเนี่ยฝึกอย่างนั้นแหระอ่ะสงศก้มรัสการลงพ่อจะค่ะรู้ว่าเวลานี้ตื่นเต้นแต่น้อยลงฝ่าที่มากับหลวงพ่อเที่ยวแรกค่ะจะรู้เร็วมากกับตอนเจอแบบคู่อริอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มีค่วามรู้สึกภูบาอาจารย์ลงเนื้อสอนอะไรนะชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยากำลังแต่ยานี่เยอะเกินไปหน่อยที่ทำอยู่ใช้ได้แล้วเบางวันอะค่ะอ่านไม่รู้เรื่องเลยอ่านไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้เป็นไรไม่เป็นไรก็เลยไม่รู้ทำไงก็เลยแบบเปิดเพลงฟัง อ่าวแทนที่จะเปิดซีดีหลวงพ่ออ่านไม่รู้เรื่องก็ฟังสิฟังซีดีแล้วแฟนเ็าเลยถามว่าไม่ฟังธรรมะแล้วเหรอก็เลยบอกว่าวันนี้อ่านไม่รู้เรื่องเลยคือรู้ว่างงไปหมดความจริงงงนะให้รู้ว่างงแฟนเขาก็บอกให้รู้ว่างงแต่คือคือแฟนฟังซีดีหลวงพ่อมานานมากค่ะคือเขาก็จะ เอาคำของหลวงพ่อค่ะมาสอนหนูได้บ้างเออดีดีของหนูก็ฟังหลวงพ่อได้บางครั้งเหมือนกันค่ะแต่จะรู้รู้ว่าใจอ่ะไหลไปดูได้ด้วยค่ะเมื่อก่อนไม่รู้เลยค่ะดีแล้วดีแล้วต้องฟังบ่อยๆนะค่ะแต่ฟังหลวงพ่อแล้วตื่นตื่นเยอะมากเลยค่ะดีแล้วไม่ผิดนะคะไม่ผิดไม่ผิดค่ะหนูกลัวเดี๋ยวไปหลงทางค่ะเนี่ยตอนนี้หลงลว ใช่ ห, หลงพูดอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยค่ะใช่ใชอ้าส่งไปธรรมะักการครับเอ่อผมก็ตามรู้ตามดูจิตยอยู่เรื่อยครับจนดูว่ามันจนรู้มัน ด, ดูดูแล้วก็แค่เฉยๆครับแต่มันก็ไม่ไปต่อครับไม่ไม่ต้องไปไหนอนะรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆ <S <S อยอยสังเกตแม่ใจเราแต่ละวันแต่ละเวลาไม่เหมือนกันดูออกแล้วใช่ไหมนี่ดูไปอย่างเนี้ย ดูไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งปัญญามันเกิดนะว่าทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตเราเนี่ยของชั่วคราวทั้งหมดเลยเนี่ยดูไปจนใจมันเห็นเลยนะเนี่ยมันกาเข้าถึงธรรมะคือพระโสดาบันเนี่ยจะเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปเห็นแค่นี้เองแต่ก่อนยึดติดกับวัตถุมากครับก็แทบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นอะไรแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันไม่มีค่าครับ แต่แต่ก็ต้องดูแลมันต้องดูแลนะเออไม่ใช่เห็นรถว่างเปล่าปล่อยให้หายไปไม่ได้นะแต่มันก็เฉยๆครับมันเหมือนกับ<ม>ว่ามันไม่เกิดปัญญาไม่สักเท่าไหร่อ่ะครับไม่ไม่อย่าไปรีบร้อนมีปัญญาให้คอยดูใจที่เปลี่ยนแปลงไว้ปัญญาเนี่ยไม่ใช่รู้อะไรมากมายปัญญาของพระโสดาบันนี่รู้แค่ว่าทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวทั่านั้นเลยรู้สึกไหมในชีวิตเราชั่วคราวหมดเลย เนี่ยจิตของคุณพอมันเดินมาถึงจุดนี้ยมันจะเริ่มเบื่อไปหมดเลยเห็นอะไรก็เบื่อไปหมดเลยตรงนี้เป็นจิตที่เป็นปกตินะของคนที่ภาวนาได้ดีาพอภาวนาดีมาถึงจุดของคุณตรงเนี้ใจมันจะเริ่มเบื่อเห็ น, ห น, หนอะไรก็ไม่มีสาระไปหมดเลยให้เรารู้ทันใจที่เบื่ออีกนะก็แยกออกไปความเบื่อก็ส่วนหนึ่งนะใจก็ส่วนหนึ่งใจไม่เบื่อหรอกความเบือ่อเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเนี่ยดูอย่างนี้นะในสุดใจจะตั้งมั่นอยู่ที่ภาวนาอย่างนี้เก่งแล้วนะ ดีมาได้ตั้งครึ่งทางแล้วก็วันนี้จะมาอยู่วัดกับหลวงพ่อค่ะเอองั้นไม่ต้องแล้วเออการพระอาจารย์ค่ะอยากจะทราบว่าที่หนูปฏิบัติอยู่เนี่ยฮะจะถูกเปล่าอย่าบังคับมันนะดูเล่นเล่นอย่าบังคับมากไปนิดนึงเลขค่ะเพราะว่านั่งฟังพระอาจารย์พูดอยู่เนี่ยรู้สึกว่าใจมันแวบไปที่บ้านบ่อยเออไม่เป็นไรแวบไม่เป็นไรอย่างตอนเนี้ยมันเกรงรู้สึกไหมค่ะเออมันเกรงรู้ว่าเกร็ง ฟังไปแล้วใจแวบไปรู้ว่าแวบไปนะ <c oughs> เอาซีดีไปฟังอีกพ <c oughs> อฟังแล้วก็แวบก็รู้แวบก็รู้ฟังไปเรื่อยๆอ๋อค่ะเอาวันนี้ได้แค่นี้นะแค่นี้ <c oughs> องค์มีอะไรเปล่าอ่าเดี๋ยวแถมอีกคนอ๋อนี่เมอร์สิบอีกคนองคนอนมาหลายวันค่ะก็เลยค่อนข้างจะนิ่งไปนิดนึงเกินจริงนิดนึงแต่กำลังคิดว่าถ้าจิตนิ่งแบบนี้เนี่ยตอนที่ไปเจอโลกน่าจะ น่าจะเร็วขึ้นนะเวลาที่เข้าไปกลับเข้าไปทํางานอะคะ่ะน่าจะน่าจะสามารถนั่นได้เร็วขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้มันออกนอกฐานเยอะมันลอยเกินไปหน่อยตอนนี้พอแต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งตอนที่หลับเนี่ยก็คือดูลมหายใจใช่ไหมคะแล้วพอค่อยๆดิ่งเข้าไปหลับพอตอนที่หลับเนี่ยก็ยังลมหายใจก็ยังขึ้นอยู่แล้วองค์ก็จะปกติเนื่องจากช่วงนี้สุขภาพแย่ก็จะเห็นเวทนาเยอะ ตอนแรกก็เห็นกายเห็นวัฒนาเสร็จแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็หายไปหมดเลยไม่มีกายไม่มีใจตอนแรกมันจะแยกออกก่อนอืคือกายปกติเนี่ยเวลาภาวนาไปเรื่อยเื่เนี่ยขององค์เนี่ยตัวจิตกับตัวองค์มันจะแยกออกจากกันอืตอนนี้มันแยกกายก็แยกออกจากกันสักพักหนึ่งทุกอย่างมันหายไปหมดเลยอืมันก็เลยแต่ลมหายใจจะอยู่บางๆใช่ไหมคะก็กลับไปดูลมหายใจแล้วก็องค์ก็เลยดิ่งเข้าไปดูที่ตัวตัวรู้สึกเลยว่าตอนนี้รู้สึกยังไง มันมีมันมีความกลัวผุดขึ้นมาเยอะมากว่าไอ้ตัวเราหายไปไหนแล้วก็มันกลัวมากอะค่ะความกลัวมันกลัวมากแล้วคันนี้ก็รู้สึกตัวว่ากลัวก็คือจับที่ตัวกลัวไปเรื่อยๆแล้วก็สลับกับลมหายใจที่มันขยับอยู่บางๆแต่กายแล้วก็อย่างอื่นหายหมดเลยจิตก็หายเหลือแค่ลมหายใจบางแบบภาวนาไปถึงจุดหนึ่งบางทีกลัวว่าตัวเราไม่มีใช่ค่ะแล้วมันฝืนความรู้สึกมากเลยว่าตัวเราหายไป ใช่ค่ะสักแต่แต่พอนานๆไปความกลัวก็ดับก็จะเหลือแค่ลมหายใจแต่เหลือลมหายใจกับรู้กับรู้ใช่ค่ะแล้วก็ทรงอยู่อย่างนั้นพอถ่ายออกมา<ย>แล้วก็อะไรแปลกปลอมเข้ามาก็ค่อยรู้เอาตแต่เวลาได้สมาธิแต่หลังจากนั้นเวลาหลับจะจะกลัวจะเข้าเข้าไปตรงนั้นอีกก็เลยแบบว่าเหมือนกับว่าอย่าไปกลัวสิไม่เป็นไรมันมันกลัวกลัวอย่าไปกลัวมันกล้าๆหน่อยพวกเรารักตัวเองมาก พอเราเห็นว่าตัวเองหายไปนะเราทนไม่ค่อยได้มันเป็นความรักตัวเองมันฝืนรูปไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เรานะจิตใจก็ไม่ใช่เราอะไรๆก็สลายตัวไปหมดนะใช่ขนาดว่าตอนนั้นไม่สบายมากเจ็บคอแล้วก็เจ็บไปหมดเลยขนาดความเจ็บมันก็ยังหายไปก็ยิ่งตกใจหนักเลยว่ามันหายไปไหนแล้วก็แบบเพราใจมันไม่สนใจมันตัดการรับรู้ออกไปมันรวมเข้ามารู้เฉพาะอารมณ์เฉพาะหน้า ยังไมนรู้ลมแผ่วๆเหลือลมนี้เดียวเหลือนิดเดียวจริงๆแล้วมันเล็กนิดเดียวบางทีถ้ากระจายความรู้สึกออกมาถ้ามีกายขึ้นมันจะรู้สึกเหมือนเราหายใจด้วยผิวหนังเลยใช่ค่ะอันนั้นรู้สึกบ่อยว่าลมหายใจมันวิ่งไปตามผิวหนังแต่เวลาลมหายใจวิ่งไปตามผิวหนังองค์จะเห็นกายเหมือนวิ่งไปทั้งร่างกายอย่างเงาเห็นเหมือนลมเอาจากลูกขุมคนอย่างงาเห็นจับเราไปใส่ตู้นะคนอื่นตายหมดแล้วเรายังไม่ตายเลยออ นะเพอร์สิบกราบนมัสการหลวงพ่อครับก็เพิ่งหัดภาวนาก็อยากให้หลวงพ่อช่วยชี้แนะนะครับพอใช้ได้แล้วล่ะใจค่อยๆตื่นขึ้นมาแล้วะไปดูไปเรื่อยๆแล้วถ้าเราทําสมถะพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆได้มันบางทีมันมีเสียงเพลงในหัวอย่างเงี้ยไม่อะไ ร, ไระ น, นะมีเสียงเพลงในหัวครับห้ามไม่ได้หรอกห้ามไม่ได้เออห้ามไม่ได้ รำคาญมันรู้ว่ารำคาญใช่ครับรำคาญให้รู้ว่ารำคาญห้ามไม่ได้จิตมันจะร้องเพลงแต่ก็พุโทโธไปต่อได้ได้พุโทโธไปก็ได้ร้องแข่งกับมันมันร้องเพลงเราร้องพุโทโธอ๋อเรา <laughs> แข่งแขงกับมันเลยเหรอครับอืม <h ums> อะไรนะแข่งกับมันเราไม่มีปัญหาใช่ไหมครับไม่มีไม่มีมันอยากร้องเพลงเราร้องพุทโธไปเรื่อยๆนะแล้วถ้าอย่าร้องพุทโธเป็นจังหวะตามเพลงของมันก็แล้วกัน ถ้ากลางวันอย่างเงี้ยบางทีเราเดินหรือทำอะไรถ้าเราบริกรรมพุทโธไว้ด้วยอย่างเงี้ยครับได้ได้อ๋อแต่พุทโธแล้วก็พุทโธแล้วก็คอยรู้ทันใจไปบ้างนะเช่นพุทโธแล้วใจสงบก็รู้ใจฟุ้งซ่านก็รู้ใจเป็นสุขเป็นทุกข์ก็รู้เนใจแอบ ไ, ไปคิดเงี้ยรู้สึกไปครับเวลาใจไหลไปคิดนี่จะลืมพุทโธอืมครับ